ต่อคุณสมบัติของพระอาริยะนี้ไปเม 6 เมษายน 2540 ใน 21ณ อ่ะทบทวนนะพระโลก ขนาดพวกเราหลายคนก็ยังเล่มแต่ เป็นๆอะไรเงี้ยเป็นเพราะๆเนี่ยอาตมา ติดตามก็จะรู้ว่าอาตมาเก็บรายละเอียด ประมาณอะไรก็ไปใช้เวลาในการเขียนหนังสือพวกนี้อาตมาทบ ออกไปแล้วมันเลยก็เลยเลยๆถถอยไปเหมือนกับ อ่าแต่ถ้าเผื่อว่าใครไม่ถือษาตามเรื่องไป คนนั้นอ่านไม่ไหวหรอกอ่านแล้วก็ไม่ คุณสมบัติของพระอริยะก็คือเริ่มเข้าเขตโลกุตระโลกุตระ พระท่านอย่าไปเข้าใจผิด ผู้คนมิจฉาทิฏฐิคนมิจฉาทิฏฐินะอ่าต้องอะไรอะไรก็ไม่เที่ยง Yeah, ไอ้อย่างนี้คนรู้เนี่ยมันต้องเห็นสภาวะนะผู้พลมิฉาทิฐิเห็นสภาวะ อ่านๆมีญาณ โทษจง 3 มีสติสำโพชชงมีธรรมวิจัยสำโพชๆคุณต้องใช้วิริยะคุณๆกันกับโพชชง สัทธสัมมาทิฏฐิเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณได้ฟังด้วยภาษาสุตมยปัญญาฟัง มีสัมมาสติมีสัมมาวายามะตามที่เราได้ มีผัสสะด้วยทวารทั้ง 6 มีผัสสะเป็นมี มาสต કુ เวทนาเอออย่างนี้ดูมันไม่มีใน วิจัยในเวทนาโพชฌงค์นี้จะเดินบทธรรมวิจัย คุณอาจจะยังไม่เก่งในวิธีๆปัญญาคือธาตุ แต่คุณเกิดญาณเห็นเสร็จแล้วคุณ จึงความไม่เที่ยงมันมากขึ้นเป็นปุถุชนความไม่เที่ยงน่ะมันมากตามแท้ มันไม่เที่ยงแต่เราไม่สามารถทำให้มันลดได้นั่นคือคุณยังไม่เห็นวิราคะแต่เราไม่สามารถทําให้มันลดได้ คุณสามารถทําให้มันลดยังไม่ได้ว่างั้นเถอะนั่นคุณพ้น วิญญาณเข้าถึงสภาวะเห็นความไม่เที่ยงเป็นสภาวะแต่มันไม่เที่ยงมันไป คักบ่คักบ่อธิบายคักโอ้โหคักนี่มันจะคักมันภาษาคักคัก มันจริงเหลือเกินน่ะมันแน่เหลือเกินมันโอ้โหมันชัดเหลือ เห็นมันเป็นความสุขหลอกไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นความสุขหลอกความ อ่าอร่อยอร่อยใจเป็นสุขสุขโลกีย์อ่ะเสพสมอ่ะ ของการต้องการเธอแต่เธอเป็นวัตถุสมบัติเป็นลาภได้โลกียสุข โลกธรรมลาภยศสรรเสริญๆกามกับอัตตามานะสมใจ ลึกซึ้งเข้าไปแม้แต่ว่าเราเองเราก็ตั้ง คุณได้ดีได้ดีคุณได้ผลดีที่คุณจะลดกิเลสแม้ทําให้จางคลายได้ ตัวดีใจปิติตัวนี้เป็นๆทีก็คงจะพอเข้าใจ ถ้ารีบลดปิติพวกแล้วไม่ต้องไปชะลอมันไว้หรอกไม่ต้อง คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องเลี้ยงปิติไว้ไม่ ซ้อนๆน่ะมันซ้อนๆแม้จะไม่มีขั้นปีเตะแต่ วางเฉยว่างว่างอุเบกขาถึง พูดถนัดเมตตาก็เป็นผู้ไม่อยู่เฉยมีพลังงานสร้าง ทำไม่โน่นทำไม่นี่ทำอะไรมาปฏิบัติธรรมก็อยู่เฉยๆอ่ามันก็ทำ จะไปช่วยคนมันยากอะไรมันยุ่งหูยเลยโอ้โหสร้าง ท่าหยุดไม่เป็นมีอัตมารยาทสวยอ้าวเก่งนะมารยาทสวยนะพวกที่ ไอ้พวกนี้ไม่จริงใจเลยนั่นไปสัตว์เค้าน่ะมันก็เป็นอย่างงี้อ่ะ เหมือนกับคนเดินไม่ลืมตาชนบึ้มๆๆๆๆเยอะ กว้างๆมากนี้อาตมากําลังพาพวกเราออกมา แก่ยากอ่ะเพราะมันเบามันง่ายมันไม่ยุ่งดีน่ะไม่ยุ่งมันเนี่ยเสร็จแล้ว และอยู่ในพวกเราเนี่ยซัดกันในพวกที่โอ๊ยพวกนี้หาเรื่องชะมัดเลยนะ ไม่มีพัสสะใหม่ไม่มีๆ อ่านั่นแหละเอามูลสูตรอาตมาดูแล้วนะมีวันค่อยๆยื้ออย่าง เราเข้าใจแบบฤาษีนี่ไม่ใช่พัสสะเสียงมันก็น่า เสียงบวกหูบวกวิญญาณรวมกันจึงจะเรียกว่าผัสสะ 3 ตัวนี้ ถ้าไม่มีผัสสะแล้วนี่คือๆอ่ะนะชินนั่งบึ๊บเข้าไปก็โอ๊ย มันอ่าสบายอ่าอยู่กับตัวเองไม่ต้องไม่มีอะไรเลยนะถ้าใครเป็นอาตมา หมั่นฮะอะไรเนี่ยมันในห้องอาตมาเนี่ยอาตมาคิดว่าคนจะไป ให้เล่นด้วยโอ้โหคงสนุกน่าดูเลยมันมีเครื่องประกอบให้ฟุ้งซ่าน เอ่ออ่าสบาย แหมมันพร้อมนี่เนาะอาตมาก็วันๆนึงโทรทัศน์เปิดดูช่องนั้นช่องนี้ได้ก็ นะนี่พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ก็ ที่สายศีลล้อมรอบคล้ายๆอย่างนั้นน่ะ ทีนี้วิธีวิปัสสนาอาตมาก็ๆอ่า อ่าแต่เรื่องไหนที่มันมีสาระหรือคุณจะ เพราะ 2500 กว่าปีมาแล้วนี่มันอีก ไม่ใช่ๆในระดับลึกนั้นเนี่ยรู้ละนะโดยอยู่เยอะสําหรับอาตมาแต่พวกคุณไม่ สัญญาณหลักนําสัญลักษณ์ฮะสัญญาณมันไม่ชัดหรอกรูปรอยรูป รู้ดูนี่เห็นลายแทงนี่ปั๊บรู้เลยจารกรรมพวกอะไรต่อเออเออออกมาใช่มันเป็นรหัส เป็นรหัสที่รู้เอ้ยมันดอกไม้ระหว่างอาตมากับพระพุทธเจ้าอาตมาถอดรหัสได้โอ้โหมีถึง แม่มันยากนะกว่าอะไรเพราะอัตมาอ่านพระไม่เมื่อยเอออ่า อ่ารหัดนี้เอาอันนี้ถ้าเมื่อเมื่อทันทีเลยแต่ว่าพวกคุณเหมือนกับตัวจริง สะดุดรหัสนี่แหละเอออันนี้ใช้ได้อันนี้มีคนสะดุดอัน เพราะในสิ่งที่มันเกิดในยุคนี้เนี่ยมันไม่ มันใช้มันกว่าแล้วไอ้โจรเอาไปใช้เยอะด้วยใช้กันเกิน นะอิทธิปาฏิหาริย์ๆนะอเทศนาปาฏิหาริย์ทางด้านอย่างรู้ใจโอ้เดี๋ยวจริงๆ ทดแทนได้เพราะทุกวันนี้ๆเนี่ยมันมืดมัวกระแสกับสายลมอย่างรู้เพราะงั้น <laughs> กลับไม่มีผลสอนกันเป็นอนุศาสนีปาติหาสอน เพราะๆก็ๆนี้ๆที่จะเป็น ทำให้สังคมแหลกเหลวคนมีสตางค์ก็ส่งลูกให้เรียน เป็นพ่อค้าก็ส่งลูกไปเรียนดอกเตอร์ในทางพาณิชย์ในทาง ไปเรื่อยๆโดยสังคมเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันเลยเศรษฐศาสตร์เพื่อ มีอิทธิพลอยู่ในสังคมเท่านั้นมันไม่กระจายรายได้ คนทุกคนไม่อยากจะขาดแคลนแต่บารมีของเขา บำเรอสูงขึ้นไปเท่าที่ ต้องมีประโยชน์กับเพราะว่าเราเองเราเป็นคน ใช้พลังงานน้อยพลังงานน้อยอ่าไม่ต้องบำรุงรักษามากเพราะเป็น นอกอัตมามองไม่เห็นเลยว่าไปได้อาตมามองไม่ๆ63 60 โอ้สบายๆวันๆวัน นอกจากบํานาญแล้วก็มีอะไรไป ได้ปันผลได้ดอกเบี้ยได้อนันตนินี้อีกอีกเดือน ดีไม่ดีก็เป็นอธิบดี 6 7 8 สบายอายุ 60 แล้วสบาย 60 อง, 60 ไปแต่บำรุงตัวเองหาโอ้ย กิเลสเอาหากิเลสให้บำเรอให้ตัวเองยิ่งจะสร้างอุปทานให้กับตัวเองโอ้นี่เสื่อมและ เป็นตัวอย่างที่เลวที่สุดใน 60 ก็ พวกนี้ก็คือสร้างหนี้บาปของตัวเองสงสารโอ้โหเค้าๆเลยนะเค้าไม่ เขาจะต้องไปๆมันล้างยากใครไม่เชื่อเนี่ยมันล้างยาก จำไม่ได้โอ้ยท่านมีๆนะร่ํารวยเออบํานาญก็ได้เยอะยัง งงได้เงิน 30 40%, 40 <อง>เองอ่างบลับหลายทีก็ได้มากวัน แล้วก็สร้างกิเลสให้หนาแก่ตัวเองไม่รู้เค้าไม่รู้นี่คือ เพราะว่ายังต้องรักษามาดๆไว้ๆเยอะได้ๆโอ้ นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่อย่างนี้เป็น 60 70 แล้ว 80 ก็ยังงอๆคาอยู่นั่นน่ะขยันแต่ ขยันโลภโมควรจะพอแล้วสันขยันๆแล้วขยัน เพิ่งรู้ตอนนี้หรอกพวกเราเนี่ยที่ เขามาตั้งมาเลยมาไม่บ๊ะเอาตรงโน้นน่ะก็ก็ไม่เอา จนพ่อแม่เนี่ยจะบ้าตายไอ้ลูกพวกนี้มันประหลาดทําไมให้ นะแปรลัทธิแล้วก็เล่นให้ลูกของเค้าไม่ไปทางโน้นเออคนไหนมี ก็วิบากใครวิบากมันวิบากไม่มีใครไปกำหนดมันก็เป็นของมันตามที่มันจะเป็นมันนะ 20 ปีอาตมาเองพยายาม อาตมาไม่ๆโอ๊ยออกนอกประเทศด้วยพยายามที่นี้อาตมาถือ ฟังจะทําแค่นี้ 20 ปีได้มาออเจาะออเจาะนี่เออได้ ได้มานิดนึงไอ้มามาก็ไดได 60 ล้าน 60 ล้าน 60 ง. 600 6,000 อ่าคงได้อ่ากระจะเรียกว่าไม่ไม่คนนักอ่าจริงๆนะ 6 ล้าน 60 ล้านเนี่ย กว้างอยู่แต่ว่า 6,000 6,000 ถึง 60,000 ก็อ่ะ 6 ล้าน 60 ล้านน่ะไม่ใช่ 6 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้าน นิดนึงในจํานวน 60 ล้านคน ในระดับสื่อสารมวลชนขนาดนี้ ถ้าไม่โทรทัศน์ ได้ฝันหรอเพราะทําไปตามฐานะของเราที่สมัยไดได 2500 ปี ธุรกิจมันระดับรอบโลกมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันระดับครอบโลก jadi กําลังทําเนี่ยมันก็อธิบายยากทําไมจะเนี่ย กระแสไฟในได้มากกว่านี้ตอนนี้มี สิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งจะมีพลังงานมี คนนี้แหละรู้จักการงานหรือการ อ่าเราก็มีเวลาตอนนี้อาตมาก็ ไม่นิยมสอนแต่ๆกันมันก็เลยต่างคนต่างๆ มันเป็นรัฐที่แก้ไปหมดเพราะฉะนั้นๆไปด้วยเราทุกวันนี้เราเรียนพร้อมกับการกระทํางานไม่ใช่ พรุ่งนี้ค่อยค่อยต่อใหม่แล้วก็จะเข้าอ่าค่อยๆวาง ตั้งแต่ฌานไปจนถึงอาสวคยญาณมาต่อเนื่องให้เห็นจริงๆเลยวิชชา 8 นั่นค่อยๆว่ากันจะเอามาสอดหรือ